ที่เรายังละไม่ได้นั้นมีอยู่หรือหนอดูกะร่าพิษุทั้งหลายถ้าภิษุมีจิตอันการมราคะกลุ้มรุมก็ชื่อว่ามีจิตถูกกลุ้มรุมแล้วเทียวมีจิตอันพยาบาทกลุ้มรุมมีจิตอันถินามิทะกลุ้มรุมมีจิตอันอุทธจากกุกุจักกลุ้มรุมมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ้มรุมเป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้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 และทำความรู้เห็นนี้ให้มากย่อมบรรลุความสงบเฉพาะตนย่อมบรรลุความดับกิเลสเฉพาะตนเธอได้บรรลุปัจจเวทขณะยานที่สองนี้อันเกิดขึ้นอาศัยโลกุตระไม่เนื่องด้วยปุุชนพระอริยผู้บรรลุมัคคยาแล้วเจริญวิปัสนาอยู่ย่อมเสพคุนปัญญาที่เกิดจากมัคคยาอยู่เสมอท่านพบว่า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 กุติกะระอาบัตในอาบัตหนักและเหมือนสหเสยยอาบัตในอาบัตเบาสองท่านต้องอาบัตนั้นโดยไม่จงใจไม่ต้องอาบัต ด, ด้วยความจงใจและไม่ปกปิดอาบัตที่ต้องแล้วคำกล่าวว่าเทเสติหมายความว่า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 ดูกราพิสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้ <c oughs> เห็นประกอบด้วยภละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภละเช่นนั้นดูกราพิสุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้เห็นประกอบด้วยภละอย่างไรดูกราพิสุทั้งหลาย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 คือพาไปสู่มรรคได้ก็เป็นเหตุใกล้ของมรรคเช่นกันข้อความว่าเช่นเดียวกับมรรคภาวนาหมายความว่าเหมือนกับมรรคภปวนาเพราะแม้จะรับเอาสังขารเป็นอารมณ์ก็ดำเนินไปโดยลักษณะถอยออกจากสังขารทั้งปวงและเพราะเป็นปัจจัยแก่ผลที่ได้รับพระนิพพานเป็นอารมณ์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 ก็อาจต่างกันโดยเข้าผลสมบัติตามเวลาที่ต้องการดังข้อความในคำมภีออตกถาของอุปริปนาฏว่าพระเขีนาบมีสองประเภทคือ 1. สัสตวิหารีพระเขีนาบผู้อยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาเสมอ 2. โสนสัตวิหารีพระเขีนาบผู้มิได้อยู่ด้วยสมถะ และวิปัสสนาเสมอในพระขีนาศพเหล่านั้นพระขีนาศพผู้เป็นสัตตวิหารีแม้กระทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเข้าผลสมบัติได้ส่วนพระขีนาศพผู้เป็นโนสัตตวิหารีเป็นผู้ขวนขวายหน้าที่ในกิจเพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจเข้าผลสมบัติได้